ใครสวดไม่ต้องดูหนังสือมีไหมฮะแม้แต่เราเรายังดูหนังสือเพื่อที่จะได้หาหน้าหนังสือสิ่งเหล่านี้เป็นสิเป็นมง ค, คลใครขยันดูขยันท่องขยันสวดคนนั้นมีเสน่ห์คนนั้นมีสนนินนสริมีมงคล ท่องบนสวนมนภาวนามันเข้าวันได้ล้วนแต่เป็นล้วนแต่เป็นบุญย์กกิริยาทั้งนั้นมันเป็นกิริยาทำให้เกิดบุญทั้งนั้นย่ามองข้าวนาะพุทธะพุทธะผู้บร้สุทธิ์ยังมีอยู่เราดำริถึงธรรมของท่านกระเทือนถึงท่านทุกระยะทุกเวลา ไม่ได้บางคนไม่เข้าใจใน่รู้เรื่องโ卜สวดทำไมไม่มีกําลังใจทีม่มีรแรงงานสวดลมๆแรงๆขาดความเครืศรัทธาขาดความกรอบรอบรู้ขาดความรู้ตัวมาดจะเก็ บ, กบประสมน้อยบุญใจของใครของใครเป็นขาชนะสำหรับมเก็บดุมใส่เข้าไปเก็บใส่เข้าไปเก็บใสเข้าไป ใครขยันเก็บคนนั้นไดน้ใครไม่ไขยันเก็บผ اي ชนะคนนั้นแห้งหผ่าไม่มีอะไร <c oughs> ออไเอา ต, ต่อไปทั้งใจตั้งใจฟาเทศเมื่อกี้เราก็ทำฟาส่วนมันแต่ก็ส่วนวนเรื่องการตั้งหัตั้งใจเขาเป็นบุญกจริยามีผลมีอันีสงกลองกล่าวไปที่ใจต่อไปเราฟังธรรมะ ฝังเนื้อหาของธรรมะการฝังธรรมากนั้นเราต้องนั่งภาวนาไปพร้อมๆกันมันจะไม่เสียประโยชน์มันจะไม่เสียโอกาสตั้งใจบริกรรมเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ดูตัวเองอนั่นแหะพุทโธจะออมาที่คนรู้ตัวเองอะไร พุทโธเจาะมาที่ความรู้ตัวเองก็ไดเจอบมาที่กายตัวเองก็ได้ถ้ามันไม่อยู่กับพุทธโธมันก็ไปอยู่กับคำเทศยังไงหูรเราไม่ดับเราต้องได้ยินการที่เราตัาต้งใจภาวนาไปมันเป็นการตั้งใจฟังไม่ขนาดเดียวกันเมื่อหาทัดธรรมมันต ก, กไปถึงใจได้ฟังแต่ว่า หงดหงิไม่ได้เราต้องใจเย็นแต่ถ้าหาไม่ภาวนาไปด้วยตั้งใจฟังอย่างเดียวมันมีงานแค่อย่างเดียวพอตกจากงานที่มีปั๊บโอ้ส่งไปไหนจะมาลบถึงโน่นถึง น, น, งนี้ถึงงานถึงการถึงการปรกครบ้านถึงสีบ้านถึงที่ไหนจะมาลบที่นัดแหนกันต้อต่อไป นห้มันตกจากภาวนาไปเขาไปอยู่กับเสียงธรรมเขายาบจากเสียงธรรมก็มาอยู่กับภาวนายิ่งเราฟังฟังเทศภาปฏิบัติไยแล้วสาคัญมากผมตล่าวถึงว่ามันได้ผลมากกว่าเรานังภาวนาโดยหลักธรรเราหนังภาวนาไปโดยเราฟังเทศไปด้วยได้ผลมากกว่าเรานั่งภาวนาโดยลัลยาาลยลกธรร เราฟังข้อนี้แล้วรากตั้งใจทำเอาหนะนัว่าครูนานเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปจนถึงทุมครึ่งสองทุ่มสองท่มอ่าอจรอาจารยนั่นเป็นช่วงตอคถามนก็ได้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 ธรรมสวรรคเองธรรมะกละมุตตมันกาเลนะธรรมะสัจจ่าเองกรรมเองธรรมะกละมุตตมันตั้งใจตั้งใจามาเภาาฟังก่อไว้วในฐาะวันนี้เป็นวาระหนึ่ง เวลานี้เป็นเวลาที่เป็นผุ้นมมงคมขนขึ้นชื่อว่าการฟังธรรมการเรียนนัทธธรรมสวรรเตอิตัมังคณะตั้งมังงมงงมงเป็นผุดมงมงคลทําไมการฟังธรรมยิ่งเป็นผู้มมังคลเพราะการฟังธรรมนั้นเท่ากับเราเรียนรู้ข้ออัดข้อธรรมข้ออัดข้อธรรมที่เราเรียนรู้แล้วเนี่นี้เราเอามาฝุดฝนอบรม กอมาป ร, ปรับปรุงกิริยากายของเราวาจาของเราและใจของเราผู้ทีท่จะมาทำงานงานทางกา ย, ม, กา ย, กาายามันเป็นเรื่องของกายกรรมงานทางวาจามันเป็นเรื่องของวจีกรรมงานของใจมันเป็นเรื่องของอมณ์กรรมกรรมสามกรรม น, นี้เราไม่สำํำรวมไม่ระมัดระวังไม่ได้เราปล่อยให้กรรมของเราเทศิ่านไป ไม่รู้ข้อเสียหรือรู้ข้อได้เราสึกมรดิกรรมสามกรรมแค่นี้พอเป็นการรักษาพฤติกรรมของเราได้พฤติกรรมของเราที่จะพึงแสดงออกก็มีทางการและกรรมไปฆ่าสัตว์รักสัตว์กระพฤ้นติเลกาไปดื่มเหล้าเนี่ยว่าจีกรมพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียพูดเฟิรเจอร์พูดปลดปลอก โต๊ะคโนพูดจาอยากคายสารพัดสมรณ์วัจีกรรมของเรามกกรรมของเราเราสัมบูรณ์ทุโถพุโ ท, โ ท, โ ท, โทุโถยกระตือว่าเป็นการสัมรูรณ์โมกษกรรมของเราใครไม่ท่านใจสมมมํมบูรพระมัดระวังกับพาเอากิริยทังกายของเราไปทำลงรําเอียงกายกรรม ไปลงมาเหมือนเมื่อขี่กรรมนึกคิดเรื่อเยเกยคิดชอบชั่วนี้อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเอาจิตขอเราไปก้าวล่วงมั่นโง่กับกัรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่มีใครรับเราเป็นคนรับเองในขณะที่เราก้าวล่วงกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ะละอย่างมันเป็นการสร้างเหตุมันเป็นการทำเหตุในเมื่อเราตั้งใจสร้างเหตุลงไปแล้วผลที่ไหนมันจะไม่มีผลต้องตามมา ผนจะต้องตามมาเล่นงานเราแน่ๆจุดใดเป็นจุดที่ดำบีเพื่กไกยกับเพื่อไอจีกลับเพื่อมะโนกลับการมาเล่นงานตรงนั้นแหละกัรมาเล่นงานตรงนั้นแหละเราไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะเอาตั้งใจที่จะเอาข้าตากก็ยอมได้รับผลของกกับไม่ตั้งใจที่จะรับเอาก็ตากยอมได้รับผลของกกับ คืนเชื่อว่าเหตุเราสร้างขึ้นมาแล้วผลต้องตามมาตามมาเล่นงานอย่างแน่นอนเจตนาเขาเล่นงานไม่เจตนาเขาเล่นงานเจตนาในที่แก้เจตนาในทีลรักตรงไหนก็ตามกันมาตามมาเล่นงานเราท่านั้นเพราะฉะนั้นเราดำดิ่มาที่กายกาศพฤติกรมนนรมอรมณ์กรรมเหล่านี้จะทำให้เรารู้จักรักษาพฤติกรรมของเรา เมื่อเราสรุกลงมาแล้วพฤติกรรมที่เราจะพึงทําได้จะพึงทําเสียก็มีแค่สามอย่างพฤติกรรมทางกายเป็นกายแยกระทางวิจารเป็นวิจีกรรมทางใจเป็นมโนกรรมทั้ทงใจทรรมะหามายมาหาศาลทั้งวี่ทั้งวันชุบลงมาแค่นี้แหละนเน้นื่อเราสรุปมาง่ายๆนีน้ก็จะเป็นียให้เราเพราะมัดเราในภายขื่โอ้กายกรรมมหาศาลม่รัดซับ ไม่พัฒน์ผิตในกาแน่มันขยายไปเกี่ยวเรื่องขอบเขตของสินนั่นใช่ไหมไม่ค่าสัรไม่น่าสัรไม่พัฒน์ผลิดในกาสินห้านะผูดอยาบผู้เ ท, เ, ทเท็ผู้ซอเสียดผู้เฟอร์เจอร์ตลกขนอเหลวไหลไม่หยุดสซรามีอะไรนี่เป็นเรื่องของสินสินนี้เราจะทิ้งไม่ได้เราเราจะคิดว่าเป็นเรื่องซ้ำซากไม่ได้การที่เราเป็นอยู่ทุกวันนะ เราซ้ำซากกับเรื่องของสินมากกว่าเราดูพฤติกรรมของเราเนะ่ยตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนเดี๋ยวมีเราทำอะไรบ้างพฤติกรรมของเราเกี่ยวกับสินทั้งนั้นนละยเราอาจจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเรากล้าวล่วงแล้วเกิดข้อไหนบ้างข้อไหนบ้างเราได้สั่ง บ, ร บ, รบกระมัระวังกรรมของเราไหมเราเกิดป้องกับสินเรื่องสินนั้นเป็นเป็นธรรมภายในตัว เรื่องสินก็เป็นเรื่องของธรรมเรื่องธรรมก็เป็นเรื่องของศินเราสิทผิดสินปั๊บเราขาดสินสินข้อหนึ่งข้อสข้อสามข้อสี่ข้อห้านึกว่าเราขาดแต่ละข้อแต่ละข้อทําให้เราเป็นเบนเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมตามมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมเช่นอย่างการฆ่าสัตว์เราฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเราฆ่าเสือสัตวเล็กสัตน้อยฆ่ามากๆเข้าเราได้บุญบากกรรม ทำาห้ชีวิตเรามันอยู่ทุกยากลําบากกันตาเนื่องจากเปรนไผ่ทั้งหลายทั้งปวกนะั้นตามมาเร่งงานเรายิ่งยิ่งฆ่าสะใจใหญ่ๆเช่นอย่างฆ่ามนุษย์ไยแล้วโอ้เราฆ่าเขาเขาจะตามมาฆ่าเรารักของเขาเขาก็จะต้องมาลักของเราผิดรูปผิดเมียเขาเขาก็จะต้องมาผิดรูปผิดเมียเราเราดูสิสิ่ ง, ง น, นี้เป็นสิ่งด้วยเป็นธรรมด้วยในตัว พระยาพุทธเจ้าฉันติงสมสมติอยากศีลห้าใครตั้งใจรักษาศีลห้าทั้งห้าข้อนะไม่ห้ามสวัสดิ์ไม่ห้ามนิพพานตั้งใจปฏิบัติจนได้ไดัได้ทําได้มัดได้ผลตามนิพพานก็สามารถผ่านไปได้ไม่จําเป็นจะต้องมารักษาศีลสองร้อยยี่บเจดเหมือนพระยาประสงค์แค่รักษาศีลห้าเราก็ไปได้บางคนนอกจากสงูมพระมัดระวังเคร่งเกี่ยวกับเรื่องศีห้าแล้ว อย่เคร่งขยับมาศิ่งแปดโดยทอดในคำสาวยี่คนที่ตั้งใจรักษาสิ่มักจะไปรักษาบอสดศีลศิ่งแปดสิ่งแปดก็เหมือนกับศิ่งแปดที่พวกไม่ชีแม่ข่าวที่เขาอยู่วัดเขาถือกันนั่นแหละแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราไปวันพระวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะเรียกว่าอุบอสดศีลศิ่งแปดต่างจากศิ่งห้านะศิ่งแปดเนี่ย สี่ข้อสอภรมจริยาแม้แต่สามีกับภรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้พระพุทเจ้าท่านปิดช่องทางตรงนี้เลยการผูกพันกันระหว่างสามีภรยาข้อนี้ในระหว่างที่สูญสิ้นไปเกี่ยวข้องกันไม่ได้พระพุทจ้าไม่เมียตาเราเลยไม่สงสารเราเลยทำไมต้องปิดกัน้นสามีภรยาศิ้นห้าทำไมเราเกี่ยวข้องได้ศิลนปเกี่ยวข้องไม่ได้ เราอยากรู้เด็กขาดข้อจริงจังเราเราก็มาดูสิเวลาเราเกี่ยวข้องกันสีข้อสามกับที่เราไม่เกี่ยวข้องกันมันทารุณไหมถ้าเมื่เราทํางานเหล่านี้เป็นไอจินกรรมเราถือว่าเราทารุณที่สุดในหัวใจขนะคราแต่ถ้าหากเรางดได้เรารับได้เราเว้นได้มีอันนีส้สองไรมีอนนี้สองมากมีอนนี้สอ ม, มาก เราหที่เราตั้งใจรักษาศีนห้าตั้งใจหามุส ม, าามสงบทำทำสงบให้กับใใหัวใจของเราตั้งใจเภาวนาใจรับควาสมสงบพระพุทธเจ้าท่านทรง ย, ยองชช่อมชมเชยการออกจากกาการสํำรอกกาออกจากใจใหัวใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงเริ่มให้มีตั้งแต่สีนแปนี่ยสินแปห้ามเกี่ยวข้องกันศินห้าเราเกี่ยวข้องกันได้ การที่สามีภรยาเกี่ยวข้องกันโดยก้าสีห้าเนี่ยท่านถึงว่าเราใช้ไฟอยู่ในเตาครูบาจารย์ท่านว่าเราใช้ไฟอยู่ในเตาไฟในเตานั้นเราใช้ประโยชน์ได้มาหุงมาต้มมานึ้ม า, ม า, มาปิ่งมาย่างมาอะไรจาราได้แต่ถ้าเราเนอกใจกันนี่เราพูดถึงสินห้าสามีเน่าใจภรยาภรรยานอกใจสามีเหมือนเราเอาไฟออกนอกเตา ไม่บาดไม่ชอบไม่อะไรอะไรสกพักไม่หัวใจเรารู้เธอคนกิดสินข้อสามนี่หัวใจเ่าร้อนอยู่ไม่เป็นผาสุดสักหน่อยหนึ่งทั้งคนต่างกดก็ดาทอกันแล้วดาทอกันปลางถนนก็เคยเห็นมาแล้วนี่คือการกิดสินข้อสามทำไมสีนข้อสามถึงรุนแรงขนาดนะั้นฟังทำไมเขาถึงไม่รุนแรงเหมือนอย่างเรา เราเทียกันไมให้เขาไม่ได้ถือศาสนาเหมอนอย่างเราเราถ้าเราถืสีข้อนี้พลาดเนี่ยท่านถืออย่างนี้นะท่านถือว่าสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีสมมุติอย่างสามีนอกใจภรรยาเนี่ยไปมีชู้หม่เนี่ยเขาถือว่าสามีเนี่ยเอาสมบัติของภรรยาขโมยสมบัติของภรยงรยาไปบำรุงควาเร่อคนอื่นโทษมาก โทษนะภริยานอกใจสามีถือว่าภริยาเอาสมบัติของสามีไปบางุงบำเรอคนอื่นเนี่ยโทษทึ่ขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเวรภัยตามมาจริงโอ้เป็นเห็นให้บ้านแต่ช้าแตกขาโลกเกาต์ลอยทุบตีเกลือร้อนพุ่นวายหน้าสมสจมีมามากเจอมามากกับเรื่องราวนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจรักษาศีลห้าได้ เราเขาหนาใจได้รับความสงบได้เราเริ่มหัดเอาใจออกจากกามได้ใจออกจากกามยังไงใจออกจากกามคือใจสงบใจจะออกจากกามได้ต้องมื่อใจสงบตราบไปที่เราใจของเรายังไม่ออกจากกามเนี่ยใจของเราเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางและยิ่งเราบวชโทษกามด้วยแล้วเหมือนกับ ไม้สดด้วยชุย่มด้วยยางด้วยแช่ย อ, ยยชยอยู่ในน้ําอีกด้วยบุรุษต้องการไฟเอาไม้สดๆอันนี้ไปเสียเกิดไฟเป็นไปได้ไหมรู้ติเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยปล่าเหนือยปล่าเหนื่อยปเอยปล่าโอกาสที่ไฟจะติดขึ้นเป็นไฟได้ยากเพราะน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันการที่เราภาวนาท่ให้จิตใจของเราเป็นไปได้นั้นเริ่มต้นจากความสงบ อยมองข้ามความสงบอย่ามราข้ามสมถะสมถะสมถะก็คือทําใจให้สงบใจเริ่มสงบใจจะเริ่มออกจากการความเป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าเราบุญยะกิริยาที่เราเกี่ยวข้องเฉพาะสินทําสินทําสินอย่างยิ่งเป็นอาหารให้ทานทํา ท, ทานทำทานอย่างยิ่ง การทำทานอย่างจริงของปุถุชนถึงจะทำขนาดไหนก็ตามสู่พระโสดาบันไว้ไหนพ ร, ระโสดาบันทั้งให้ทานให้จนหมดหมดอยู่หมดกินให้จนหมดแม้หมดตัวแม้แต่เลยข้าวจานสุดท้ายมีคนยังไม่ได้รับทานมายกให้เขาเฉยเฉยเลยเห็นอา น, นิสงส์ในการยกให้เขามากกว่าข้าวปากของตัวเองอีกพระโสดาบันเพราะฉะนั้นผู้มีคุณธรรมถึงขั้นระดับพระโสดาบันในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ยินให้สองสวนสมุดเป็นเสขาบุคคลให้ระสมไปสวดสมมุติให้อุบาสิกนั้นอุบาสิกานี้ที่เขาเป็นพระโสดาบันใครถูกสงสวนสมมุติให้แล้วพระสงฆ์ไปบินทบาตโดยที่ทําไม่ได้นิมนปราบอาบาตรถ้าปราอาบาตรนะแต่ถ้าหากเขามิมนเรารับนีมนไปรับบาตรได้เมื่อเห็นที้เขาเลื่อมใสศรัทธาเขามีข้าว กะแกงหรือขนมกี่ครุกี่กระปุ่เท่าไรก็ตามแต่พอเราเห็นเข้าไปครับเขาถวายมาจนหมดพรุทธเจ้าท่านทรงตรัสถ้าเรารับมาได้ถึงแม้ว่าเขาอจะถวายมากเท่าไร่ก็ตามเรารับมาได้เพราะอะไรเพราะพวกนี้ ก, าาก็มีควา ม, มย่ำแย่ศรัทธามากมีความย่ำแย่ศรัทธาเมื่อรับมามากอย่างนั้นแล้วต้องไปแบ่งงูไม่เป็นงูปรับอาปะนะ ปราบอาบัติภูติยักษ์ท่านให้ความสําคัญกับทางของพิโซดาบันสำหรับพวกเราปุถุชนเราให้ถึงท่านดอกไม่ถึงท่า น, านแต่ไม่แน่ในนี้อาจจะมีพิโซดาบันก็ได้ให้ทานจนหมดอยู่หมดกินเนื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาปตกะแน่นมัม่นคงไม่คลอนแคลนพิโสดาปันเราให้ทานอย่างที่มก็เท่ากับแรงศรัทธาของเรานนั่นเองเราตั้งใจรักษาศีลก็เหมือนกัน รักษาสีลอย่างยิ่งกันเป็นอาชีพสินรักษาสินห้าให้เด็ดขาดจริงจังรักษาศินแปให้เด็ดขาดจริงจังเรายังมีครอบครัวอยู่เรารักษาศินห้าเรารักษาสินห้าได้เด็ดขาดถึงคราวที่เราทําความสงบเราก็อยู่คนละมุมสามีอยู่มุมสงบมุมหนึ่งภรรยาอยู่มุมสงบมุมหนึ่งต่างคงต่างนั่งต่างคนต่างนั่งภาวนาต่างคนต่างนั่งภาวนา ใครสามารถนั่งเาวนาใ้ใจได้รับความสงบใจของคนคนนั้นจะเริ่มออกจากการคำว่ากามการในที่นี้หมายความว่ า, วารูปเสียงกลิ่นรสโผจัพะธรรมารมณ์นั่นแหละมันเป็นเรื่องของกาจิตของเราจะนึกจะคิดจะปรุงสีนเหล่านี้แหละวิ่งว่อนโคจร อ, อยู่กับเรื่องเองหล่านี้ไม่จบไม่สิ้นท้าเรียกว่าอารมณ์ของกา หรือกามคุณการมคุณที่ใจของเราไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้เรา <Celt ic. S 1> ไปพุโทโธพโธพุโธตนใจมันลืมลืมลืมลื ม, ลมทุกอย่างลืมทุกเรื่องอยู่กับอารมณ์มัียากพุโทโธพุโทโธพุทโธใจสงบแค่ใจสงบอยู่กับคําว่าพุโทโธจิตของคนคนนั้นก็เริ่มมีความสงบเริ่มมีความสุขแล้ว ไม่ลึกเรื่องรูปเรื่องเสียเ ง, งเรื่องเปลเรื่องลเรื่องสัมผัสเรื่องราวปัญหาสารพัดที่มันจะตามมาเล่น ง, งานแบบจิตสงบได้ในความสงบนั้นมีความสุขจิตเรื่องออกจากการจิตสัมรอดออกจากการจิตมีความสงบจิตมีความสุขนี่คือความสงบอย่ามองข้ามความสงบอย่ามองข้ามสมถะบุคคลที่เจริญสมถะให้เกิดความสงบอยู่ในใจอยู่เรื่อยอยู่เนื้อ ทำให้จิตดวงนั้นมีพลางมีอานุภาพที่สาคัญสุดมีความสงบมีความเปิกบิ่น ม, มีความผาสุขอยู่ในภายในถ้าถึงความสงบอย่างเต็มที่โอ้เราแค่นี้เราก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่ต้องไปทุกข์ทรมัร์กับเรื่องราวอื่นนี่คือความสงบเพราะฉะนั้นการตั้งอกตั้งใจรักษาศีลการตั้งอกตั้งใจรักษาศีล เป็นจนเป็นอาธิสิงจนเป็นอาธิสิงเป็นเหตุให้เราภาวนาได้รับควาสมวาสงบความสงบได้ง่ายๆแต่ถ้าหากเราไม่สนใจการภาวนาเราสนใจแค่ให้ทานชีวิตนี้เราแค่ให้ทานแค่รักษาศีลก็พอแล้วแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วให้ทานเต็มที่รักษาศีลเต็มที่ตายแล้วปารโลกของเรา ส่งเราสูงสุดไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์น่าเป็นเรื่องของกามาคุณทั้งนั้นเต็มแปร่อยู่บนบนโลกสวรรค์นะใครยังติดข้องผักพันกับการมาคุณเต็มแปร่เต็มอิ่มเต็มที่ตั้งใจทําให้หิ่งตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์สวยสุดด้วยกามาทิพย์อยู่บนนั้นเดการจนนิ่งอยู่บนนั้นก็สามารถทำได้ เพราะนั่นคือแดนสวยกามาสุขอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์เพราะยัพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสด ง, งทางคาถาสีลกคาถาตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เป็นเหตให้เราได้สวรรค์พุทธเจ้าท่านทรงแสดงอีกว่าโทษของสวรรค์การมาคุณเหล่านั้นการมาคุณเหล่านั้นดูให้จริงจังเข้าไปแล้วยังเป็นโทษอยู่พุทธเจ้าท่านจึงทรงชี้โทษอาทีนวัคคาถา โทษของสวัสด์และก็ทรงสแสดงถึงอานิสงส์ของการออกจากกาลาร์าทีนวะนิสังสกธาอันนี้สงส์ของการออกจากกาลการออกจากกาลก็คืออะไรก็คือการตั้งใจเภาวนาใจจะรับความสนุกนั่นเองเมื่อใจได้รับความสนุกนแล้วใจมีผลใจมีอนิสงส์อานิสังสกถา เราไปดูในอนุปูปีกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับยักษ์ศักดิ์ตระยักษ์ศักดิตรฟังรอบแรกได้เป็นพระโสดาบันฟังรอบที่สองพร้อมกับพ่อพ่อตามไปเจอพอดีนั่งฟังเทศการที่สองด้วยกันพ่อได้ลงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ยักษ์ศได้เป็นพระโสดาบันมา ก, ก่อนแล้วได้เป็นพระอารหาันต์พอแสดงจบ พระพุทธเจ้าท่านทรงขโมยด้วยอริยสัจสี่ทรงขโมยด้วยหลักของอริยสัจสี่เพื่อที่จะให้จิตอย่างเข้าถึงหลักของสัจธรรมทําให้พ่อของยักักดิ์ได้พระโสดาบันได้ลงตาเห็นธรรมพระยักษ์ศักดิ์พิจารณาตามหลักอัาานั้นแหละหลักอันนีจังทุกทางนักตาแต่พื้นจิตมันต่างกันพื้นจิตของพ่อกับพื้นจิตของพระยักษ์ศักด์ต่างกัน เรืองที่ต่างกันการพิจรารณาธรรมก็ขยับขยายขึ้นไปจนถึงที่สุดได้เป็นพระอาหารยักรุกุลหลังจากฟังเทศจบบรรดาให้พ่อกละลูกเห็นกันพ่ออุญสักิีใจมากเธอจงให้ชีวิตกับแม่ของเธอด้วยตอนนี้ร้องให้ฟังครัวคือลูกชายหายแล้วนั้นแหะลูกชายหายตอนเช้านี่ก็ นิมนต์ไปที่บ้านนิมนต์กลับบ้านนิมนต์ไปฉันพระตานที่บ้านยักษ์ศัตถูกพ่อเชิญให้กลับบ้านบอกให้กลับบ้านยักษ์ศัตรูดูหน้าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกบบอกบาสรสกบอกกบารสกว่ายักษ์ศัตรูเป็นคนไม่สงควรจะกลับไปครองบ้านครองฤอีกแล้วคือยักษ์ศัตรูเป็นผู้มันจจ่นใจจิตเหตโดยสิ้นเชิงแล้ว พ่อหลยษ์ศักดิ์ก็อนโมทนาสารทุการโอ้เป็นบุญของลูกเราแล้วนี่เราพูดแง่นี้หมายความว่าเราพูดแง่มุมให้เราเข้าใจเลรับว่าออกจากการมออกจากการมการที่เราตั้งใจรักษาศีลช่วยส่งเสริมให้เราภาวนาให้รับความสงบศีลสมาธิปัญญาตามหลักอริยมรรคหลงแบบตั้งพูดถึงแนวทางปฏิบัติเริ่มด้วยศีล อยากขึ้นมาด้วยสมาธิขยับขึ้นมาด้วยปัญญาสี่สมาธิปัญญานี่แตามหลักอริยมรรโยงไปเพื่ อ, อที่จะเดินเข้าไปให้ถึงที่สุดยังกองทุกทั้งหลงหายที่ห่วงได้ต้องเดินตามเส้นทางเส้นนี้ที่จะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราจะเห็นว่าพุทธิยถาท่ทานทรงแสดงธรรมการแรกคือธรรมจากธรรมนัตสูตรพระรงองค์ทรงปฏิเสธการมาสุภลิการโย ถ้าเรายินดีพอใจแค่ให้ทางรักษาสิ่งไปเกิดบนสวัสค์นั่นเป็นการวาสุขาลิการโยกประกอบตนปูพันเกี่ยวกับเรื่องการการธนาทั้นทงนั้นเราขยับมาที่การตั้งใจภาวนาจนใจได้รับความสงบใจจะเริ่มสัมรอดจากการใจจะเริ่มออกจากการเพราะฉะนั้นผู้มีกายออกจากการผู้มีจิตออกจากการ ก็คือผู้ที่ภาวนาแล้วใจได้รับความสนุกแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีวิสาขเศรษฐีไปฟังเทศนทุกวันกวันได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสุภิทาคาคราวหลังี่ได้เป็นพระอนาคาคารได้ภูมิธรรมจิตภูมิธรรมภูมิจิตเข้าถึงขั้นพระอนาคาคาเพราะปรับ กลไปที่บ้านก็ไปบอกกับภรรยาเออเธออันนั้นเธอก็เอาไปอันนั้นเธอก็ใหอนนอ้อันนั้นก็ให้เธออันนั้นห้เธอเธอเอาไปเราเคยเกี่ยวข้องกันเหนมือนเมื่อก่อนต่อไปนี้เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันถามไปถามมาเรทราบว่าสามีไล่บรรลุเนือ้อทัพถึงขั้นอนาคาริ์นางถามทราบความนางเขอยากบวชบ้างนางธรรมชินนาขอบวชวิสามขันจักให้บวชซะก่อนจักให้ภรรยาบวชก่อน แต่ตัวเองยังไม่ได้บวช น, นะแต่ได้คุณธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วเห็นไหมเขาอยู่บ้านเขาถือศีลนะตั้งใจปฏิบัติจนจิตได้รับความสงบพิจารณาในแง่หลักอริยสัจสี่ได้เป็นพระโสดาพระสกีทาขาพระอนาคามิอนุญาตให้นางทำวิชนานที่เป็นภริยาไปบวชไปบวชได้ไม่กี่วันไปบวชเป็นภิษุณีได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ก่อนของานใหญถ้าดูถูกได้ที่ไหนผู้หญิงเขามีความสามารถมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน ผู no ้รู data, so uh ้คือจิตจิตคือผู้รู้ไม่มีความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงหากแต่ว่าด้วยบุญด้วยกรรมพวกเราได้เพศมาไม่เหมือนกันการเจริญเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จะต้องมีผู้ชายผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกันการเจริญเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่จะมีได้ถึงจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถูกกรรมจำแนกบางคนต้องเกิดเป็นผู้ชายบางคนต้องเกิดเป็นผู้หญิงแต่ผู้รู้นั้นไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิง ดวงตาทำไมจิตของคนนั่นะไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงแต่ไม่เห็นที่เราได้มาเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็ยึดถือด้วยสัญญาด้วยอุปาทานของเราเองโอ้เราผู้หญิงเราผู้หญิงเราผู้หญิงโอ้เราผู้ชายเราผู้ชายเราผู้ชายแต่ความสามารถมีเท่าเทียมกันพวกเราได้ยินได้ฟังบางชาติบางชาติบางประเทศนี่กดผู้หญิง โดยเฉพาะในสังคมเยนเดียนกดผู้หญิงผู้หญิงนี่ต่ำมากบางธรรมเนียมผู้หญิงก็ถูกกดด้วยกันธรรมเนียมีบางบางแห่งก็ถือว่ากดผู้หญิงให้ต่าลงแท้ที่จริงทัานก็มเหตุของท่านอยู่มีเหตุผลของท่านอันนี้จะไม่พูดให้ยืดยาวแต่คุณสมบัติภายในใจที่จะทําให้มีคุณสมบัติพลทุบพลโทษไป วัตถะสงสารมีได้เป็นได้เหมือนกันก็เหมือนอย่างาพระชาบดีโคตมีเป็นพระน้านาของพร ะ, เพระเทรระเจ้าพระยาสุทโธนักสิ้นพระชนพระยาพระวงศ์เจ้าชายหลายหลายคนก็ออกไปบวชหมดแล้วชาบดีโคตมีก็อยากออกบวชบ้างไปขอบวชเป็นภิกษุณีขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกจนมาระสุดท้าย ด้วยความใส่ใจของพระอานนร์ไปกราบหลวงปู่ดุเจ้าเออถ้าเธอตั้งใจพระพฤทธตักครุธรรมแปประการได้ความเป็นภิกษุณีจะเป็นของเธอเถิดคาว่าครุธรรมมีข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นแปประการรู้สึกว่าลําบากมากถ้าเป็นกฎเราก็ควรจะเรียกได้ว่ากฎเหล็กบ่างั้นเถิดรับพดายาม ก, กฎเหล็ก เหมือนกับเป็นกดที่ถูกตอนไปในตัวเพราะถือว่าสังคมผู้หญิงเนี่ยอยู่ในสมัยนั้นอยู่นนอย่นั้นอยู่ลาบากมากแม้แต่านางอุคนวรรณนาเนี่ยไปอยู่ป่าให้โดนบังคับข่ม ข, ขืนเลยคนอินเดียในยุคนั้นในสมัยนั้นแต่การที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลนั้นถือสิบ8ก็สามารถได้มักได้ผลถือสิบหก็สามารถปฏิบัติได้มักได้ผล ไม่อยากไปจะต้องไปถึงศินสองร้อพิษุณีศินสามสบอมากกว่าพระราบีพระสงฆ์เราสองร้แต่พิกษุณีถึงศินสามร้อสิดในสุดน้าประชาชนก็จะมียอมครับดีอกดีใจมากเหมือนชายหนุมหญิงสาวที่ได้รับพร อ, อย่างใดอย่างหนึ่งอาบน้ําสะอาดเกลี้ยงเปล่าแล้วกลัวผู้นี้แปเปื้อนในตัวเองครับพระครับประคอง ข้อปฏิบัติเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าไหนท่สุดก็เลยตั้งเป็นโพลพิสุรีขึ้นมา น, นี่ยพิสุรีไปบวชเป็นพิษุรีต่อมานี่ยพิพาก็ออกไปบวชเป็นทุษุณีเชื่อพรวะวงศ์หลายๆคนก็ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ไปบวชใต้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลไปต่างๆกันอันนี้คือคือการตั้งใจรักษาศีลและก็ตั้งใจประพฤติธรรมแม้แค่ศีลห้าศีลแป ก็ไม่ห้ามวะห้ามผนห้ามานิพพานแต่ว่างานที่เราจะทําเราจะทิ้งงานสมถะไม่ได้เราจะทิ้งงานวิปัสนาไม่ได้งานสมถะนี้มันเป็นงานที่ทําใจให้ได้รับความสงบเราตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบสงบถึงขั้นว่าที่อาร่มที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรูเป็นสัมผัสท่านเรียกว่าเป็นไม้แห้ง ไม่ใช่ไม้สดชุ้มด้วยยางและยังแช่อยู่ในน้ําตั้งเรียบเหมือนปรุตที่หนึ่งปุตที่หนึ่งเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําหมายความว่าเ ร, บบราไว้พวกกามด้วยจิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวด้วยไม่พยายามจะสํำรอกกามออกจยากหัวใจด้วยแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยากได้คันไต้ทําได้มั่งได้ผลมันเป็นไปไม่ได้เหมือนไม้สดชุ้มด้วยยาง ที่บริโภคการเป็นประจำด้วยแล้วเหมือนไม้สดชุบใดอย่างด้วยนั้นจะแช่อยู่ในน้ําอีกอีกประเภทหนึ่งบรุษมีใจอย่างไม่ออกจากกามเปรียบเสมือนไม้สดชุบใดวย่าแม้จะไม่อยู่ในน้ําก็เอามาเสียเกิดฝ่ายได้ยากอันนี้เราเปรียบเทียบเช่นอย่างเราไปอยู่เรไปอยู่วัดสินห้าก็ตามไปอยู่วัดสินแปก็ตามไปอยู่วัด มีกายออกจากการมมีใจมีมีกายออกจากการมแล้วก็ตามแต่ว่าใจยังไม่ออกจากการมใจยังนึกคิดแต่เรื่องการมวางวุ่นแต่เรื่องการมถึงมันจะไปอยู่วัดก็ตามจะมาถึงถึงศีลสองร้อก็ตามจะมาถือศีลสองริบเจ็ก็ตามจะมาถือศีลศีลจิตของสมณะนก็ตามจิตยังไม่ทิ้งการมจิตยังวางวุ่นแต่เรื่องการมเปียสมบัติไม้ไสด ชุมด้วยยาอามาสีเกิดไฟก็เป็นไปได้ยากจะมาตั้งใจปฏิบัติให้จิตได้รับความสนุกพิจารณาเห็นโทษของอนิจจายุขังอนัตตากขาพิจารณาเป็นไปได้ยากคือธรรมะที่จะเจริญหัวใจเจินไปได้ยากเรามาฟังข้อนี้แล้วทําให้เราเห็นความสมําคัญของความสนุกผู้มีกายออกจากการมผู้มีจิตออกจากการมเท่านั้นจึงจะสามารถ ถ้าเปรียบเสมือนไม้กับไม้แห้งอยู่บนปกบุตต้องการเสียเกิดไฟเป็นปไปไต้ว่าเอาไม้แห้งมาสีการให้เกิดไฟย่อมเป็นไปได้ในเมื่อเรารู้ช่องทางช่องทางอย่างนี้แล้วเราก็เอาไม้แห้งไปเสียเกิดไฟสียเสีสีสีสีแล้วก็หยุดสียเสีสีสีแล้วก็หยุดไฟก็ไม่สามารถจะเจริญได้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นบุคคลประเภทที่สีอ่า เหมือนเราตั้งใจให้ทางรักษากศีลประพฤติธรรมเจริญสมถะเจริญวิปัสนาถูกต้องตามหลักอริย ม, มรรคโยปปะและก็ทําอย่างยิ่งทําหลักหน้าเข้าไปเรื่อยเหมือนบุรุษมีกายออกจากกรรมแล้วมีจิตออกจากกา ร, รมแล้วดําเนินอยู่บนเส้นทางอริย ม, มรรคโยปปะขัดสีเหมือนกับว่าทําความเพียรต่อเนื่องไปไม่ยอมหยุดเหมือนบุรุษเอาไม้แห้งถัวให้เกิดไฟสีไปไม่ยอมหยุด จนเกิดสัญลักษณ์ไฟปรากฏามีควันปรากฏมีฐานดำๆปรากฏมีฐานแดงๆปรากฏเพราะรู้ว่าสัญลักษณ์ไฟออกมาแล้วไม่ยอมหยุดขยาข้าไปจนฟุดเปลวไฟเปลวไฟลุกขึ้นมาได้ไฟได้ไฟใช้ถึงขนาดนั้นมันถึงขนาดนั้นนี่อุปมาอนี้มันเป็นอุปมาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเีงอุปมาสีข้อที่เกิดขึ้นกับพระองค์ เราฟังแล้วเราก็มาเทียบดูว่าทำไมเราตั้งอกตั้งใจเข้าวัดฟังทำรักษาศีลภาวนาทำไมถึงเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นไปมไม่ได้ก็ด้วยเหตุเหล่านี้เองเราต้องรู้ว่าภายในจิตของเรานั้นหนึ่งประเภทไม้สดชุบด้วยอย่างแล้วก็แช่อยู่ในน้ำอย่างประหที่หนึ่งรุ่ที่สองเหมือนบุคคลเหมือนบุคคล ที่ยังมีจิตยังไม่ออกกากการมเปลียนเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยาถึงใจอยู่บนปก็ตามสีให้เกิดไฟก็อย่างยากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเปลียนเสมือนไม้แห้งก็คือผู้ที่มีใจสงบธนั้นเองเพราะฉะนั้นความสงบจริงเป็นเรื่องสาคัญเป็นประตูแรกที่เราจะทำให้ทำมากในใจของเราเจริญ ง, งอ้อเยเจริญ ง, งอกงามแม้จ่ถึงกรณีร น, รนั้นแลว้วก็ตาม เราจ ะ, จะต้องทําความเพียรอย่างยิ่งยวดยิ่งโยดขนาดไหนเรามาฟังดูว่าครูบาอาจารย์ของเราท่านเด่นตายเด่นตายองค์ที่ท่านได้อ่านได้ทำมาสอนพวกเราท่านเด่นตายเท่านั้นหมายความว่าภาวนาภาวนานั่งทิ้งไปเลยอนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนนั่งตลอดรุ่งเนี้ยนั่งทิ้งไปเลยเหมือนกับขึ้นต้นไม้คว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุ ด, ลดไม่ยอมปล่อย ปล่อยไม่ได้ขวา้าหลุดเอาตรงนี้เลยเอาจนหนักท่านจึงว่าเดนตายเดยนตายมันเดนตายตรงนี้หนักถ้าคืนหนักตรงนี้รูบาอาจารย์ทุกองท่านหนักท่านหนักตรงนี้หนักตรงหมายความว่ า, าเห็นสัญลักษณ์ของไฟแล้วปล่อยไม่ได้ขยับจนได้เปลวไฟใช้ถึงจะปล่อยต้องปล่อยไม่ได้ลองเห็นสัญลักษณ์ไฟปรากฏขึ้นมาลอง ห, หยุดลองดูดูลองหยุดลองดูความร้อนกันก็จะเริ่มเย็นไปแล้วเสียเวลาไปอีกแล้ว มีควันพรากวดูลองหยุดดูความร้อนก็นหมดไปนี่หมายความว่าวิธีทำไฟด้วยการเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟการเสียดสีให้เกิดไฟนั้นถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราใช้ปัญญาพิจารณา น, นัดีเราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกเราจะเจินตามหลักสมถะก็ตางเกิินตามหลักิปัสนาก็ต่าง มันเข้าในหลักมหาสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราประลุเอามายใช้เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนโดยเฉพาะหลวงปูเสาหลวงปู่มั่นทั้งสอนพวกเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธท่านก็กำกับให้เรากําหนดลมหายใจเข้าด้วลมหายใจเข้าท่างให้กําหนดพุทลมหายใจออกท่านกาหนดโทพุทโธพุทโธเอาอนาปานสติกํากับเข้าไปด้วยเพื่อทําให้จิตได้รับความสงบ ตามไปทำไปทำไปทำ ไ, ไปจิตของใครไม่เกาะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเกาะ อ, อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็เอาพุโทโธทียึบมีสติกำกับอยู่โรอตลอดอย่างนั้นจนจิตเราทิ้งอารมณ์อื่นทั้งหมดอยู่แต่กับพุโทโธอย่างเดียวจิตสงบกับคําว่าพุโทโธถึงแม้ว่าจิตจะมีวิตกวิจารเข้ามาวิตกวิจารก็คือการตัณฑ์พุโทโธพุทโธ นี่เป็นวิตกวิจารวิตกวิจารณวิตกคือความตรึกนึกคิดคิดว่าพุทโธพุทโธวิจารณัคือประคองอารมณ์พุทโธนั่นแหะเช่นอย่างเราพุทโธจากพุทโธหนึ่งไปไปถึงอีกพุทโธหนึ่งไม่ไม่ให้ความรู้สึกของเราเคลื่อนไปที่อื่นไม่มันเกิดช่องจากพุทโธหนึ่งทำความรู้สึกโงตลอดไปถึงอีกพุทโธหนึ่งพุทโธ พุทโธพุทโธดําริกอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันเกิดจองแต่หากตัณหามันจะคอยมาแทรกอยู่เรื่อยระหว่างพุทโธไปอีกพุทโธหนึ่งมันจะคอยมาหลอกจิตดึงจิตเอาไปใช้อย่างหนึ่งตรงนี้เราต้องระวังตัณหามันเกิดในใจพวกเรามันคอยแทรกเข้ามาที่จะเอาจิตของเราดึงจิตของเราไปใช้อย่างหนึ่งพุทโธ พุทโธแม้แต่จิตยังนำ้ำปิโลนแต่กับคําว่าพุทโธทําไปทําไปทําไปจิตก็จะเิีงได้มีปฏิิดได้มีความสงบได้กับเพราะจิตอยู่กับอารมณ์เดียไม่เปลี่ยนอารมณ์อารมณ์หนึ่งเดียวเป็นอารมณ์ของสมถะจนจิตได้รับความสงบสงบหมายความว่าสงบจากอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสนัมผัสเมื่อก่อนนั้นจิตของเราไม่สงบ จิตของเรามันหิวหิวอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นแหละทีนี้คาว่าพุทโธพุทโธเหมือนอาหารอาหารของใจอาหารที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือธรมโมธํรมหรือสังโคสังโควเวลาเราทำใจให้ได้รับความสงบไปแล้วเนี่ยเราดํามิกอะไรขึ้นมามันเหมือนกันทั้งหมดเรยด้่มฤพุทโธพุทโธก็จิตเราอยู่ระสง เราจะจะลองเปลี่ยนมาเป็นธรรมโมจะลองจะลองเปลี่ยนมาเป็นสังโฆมันก็เดียวกันก็พราะเราเอาจิตตรงนี้มาทํางานจิตได้รับความสงบมีวิตกมีวิจารณมีปีติมีสุขเตกขังตาเราทําให้ความสงบเหล่านี้ขยับก้าวหน้าเข้าไปเรื่จิตสงบละเอียดลึกเข้าไปเรื่อจงทิ้งขามาพุโทโธทิ้งวิตกทิ้งวิจาม เพราะจิตมีปีติมีความสุขเปออมอยู่กับปีติเออมอยู่กับความสุขจากจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจิตของเราขยับลึกเขา้าไปแล้วจิตทิ้งปีติจิตอยู่กับสุขกับเอกขาตาจิตทิ้งความสุขเหลืออุปเปคขากับเอกคตาจิตหมดกิริยาเหลือแต่ผู้รู้รูสว่างสวายอยู่ จิตเข้าถึงความสงบเต็มที่นี่คือความสงบลําดับของความสงบเราก็ยังตั้งใจทําการที่เราตั้งใจทําอยู่กับอารมณ์พุโทโธพุธโทโธมีวิตกมีวิจารณแล้วก็เป็นเหตุให้จิตของเราชุ่มอิ่มด้วยปีติมีความสุขอยู่กับอารมณ์เดียวเราฟังดูแล้วเหมือนไม้เนื้อบากราแรงที่เราจะพึงตั้งใจทําได้ บางคนก็ทาได้ง่ายบางคนก็ทาถึงง่ายไม่มีอา ร, รมาณ์นามยุคใแย่มาแทรกจิตของเราให้จิตของเราต้องนึกต้องคิดต้องปรงอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้เราได้รับความสงกได้ง่ายเราทำไปจิตเลื้อปีติอพอจิตมันทิ้งคาบริกรรมแต่มันต้องทิ้งเองนะเราตั้งใจทิ้งไม่ได้จิตทิ้งเองเราไม่ต้องหงงไม่ต้องกังวลอนะ่ะไม่ต้องหงงไม่ต้องกังวลเลือแต่ปีติ จิตไม่ไปไหนเพราะจิตมันอิ่มจิตทิ้งปีติเหลือความสุขเราก็กำหนดความสุขจิตจุ้มอยู่กับความสุขจิตทิ้งความสุขเหลืออุเบกขาสวา่างโธหรือนัน้นยูนานอยู่มากอยู่น้อยสลัดก็ตามแต่เพราะจิตถอนออกมานั่นคือจิตเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่มีเราเข้ถึงความสงบของใจ ใจมีความสงบแล้วทขาะห้าเอาใจที่สงบนั่นแหละมาพิจรารณาทางด้านปัญญาจิตไม่หวิวไม่โหยจิตมีพลังท่านจึงให้เอาจิตที่สงบสงัดนี่แหละมาพิจรารณาคลี่คลายรูปสังขารคลี่คลายนามสังขารคำอักคลี่คลายนามสังขารคลี่คลายรูปสังขารก็คือมาพิจรารณาที่กายเมื่อมาถึงช่วงนี้ตรงนี้ เราจับหลักไม่ได้ว่าเราควรจะไปพิจารายยังไงจะมาแยกแยกยังไงถึงจะไม่ให้เราสับสนวุ่นวายเราก็มาจับหลักพัษน์สติันฐานก็ได้เหมือนอย่างที่เรานั่งภาวนานานๆบางคนก็เริ่มปวดแล้วขณะ น, นี้เราก็เปลี่ยนจากพุทธโธมาอยู่กับความปวดก็ได้มันเลื่อนจากกายมาเป็นเวทนาเวทนาปัจนาในขณะที่เราพิจารณา พุโทโธพุโทโธกำกับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกเท่ากับเราอยู่กับกายลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งถือว่าเป็นกายในเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไ ป, ไปจิตของเราได้รับความสงบอยู่กับที่แต่ว่าร่างกายของเราจะเริ่มปวดเริ่มเจ็บเริ่มปวดความเจ็บความปวดของกายนั้นเป็นทุกขเวทนาเราก็ขยับขยับจากพุโทโธกำกับด้วยลม มาอยู่กับทุกขเวทนามาอยู่กับทุกขเวทนาหรือจะเราจะกำหนดคำว่าพุโทโธแล้วจ่อเป็นเวทนา ไ, ไดพุดโทโธจ่อเป็นที่เวทนาพุโทโธจ่อเป็นที่เวทนามันเป็นหลักของมาสติปัฏฐานจ่อเป็นที่เวทนาให้จิสตสงบอยู่กับเวทนาแทงจึ๊เข้าไปอยู่ตรงท่ามกลางนั้นเลยร่างกายเราเจ็บ ตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดตะโค้ปวดมั่นเอวปวดไหล่ปวดงอเข่าก็แล้วแต่บางคนปวดปวดจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันขัดตรงนั้นขัดตรงนี้มันปวดปวดอุ่นแรงจนเราปดไม่ได้เราทนไม่ได้เราพิจารณาอยู่นั้นเราไม่ปล่อยอยากปล่อยปล่อยไม่ได้และก็ต้องใช้คําดั่งพรีให้มากถ้าเราใช้คําดั่งพรีไม่มากตัณหามันแทรกเข้ามา หัวเข่าเราเจ็บหัวเขาเราปวดบั้นเอวเอวเราเจ็บเอวเราปวดหลังเราเจ็บหลังเราปวดถ้าเราปล่อยให้ตัณหาแทรกเข้ามาแล้วอักตาตัวตนมันก็ปผล่ขึ้นมากลายเป็นเราเจ็บกลายเป็นเราปวดเราจะเดินตามหลักอาศัยประฐานท่านให้พิจารณาเาว่าปวสักแต่ว่าปวดเอาสติกำลังจดจ่ออยู่กับคำว่าปวดปวดไม่ให้ตัณหามโผล่ขึ้นมาไม่ให้คำว่าเราโผล่ขึ้นมา ไม่ให้อัดตาตัวตนโผล่ขึ้นมาสักตัวเป็นกิริยาแห่งการตรวจมีสติกำหนดจดจอรู้อาศัยเวทนาเป็นเครื่องล้อลึกรู้เวทนามีอยู่อาศัยสติกำหนดรู้เวทนาเขาอยู่ไม่ให้อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตัณหาไม่กระแทกเข้ามาไม่ได้เราทําได้แค่นี้เราก็ได้กำลังน้องตาท่านให้ดูเ ด, ดูเวทนาด้วยวดูมาที่จิต ด, ด้วย ดูเวทนาด้วยก็ดูมาที่จิตด้วยจิตยินดีไหมเวลาปวดมากๆย้อนมาดูที่จิตจิตยินดีไหมย้อนดูมาดูที่จิตจิตยินร้ายไหมย้อนกลับไปย้อนกลมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปเดี๋ยวเราก็จะได้ประสบความประสบการณ์ขึ้นจากการที่เราทำงานขยับกันอยู่ตรงนี้แหละพิจารณาการขยับมาที่เวทนาอยากมาถึงเวทนาเราพาดพิงมาที่จิตย้อนมาดูที่จิต เพราะสมุทัยเวลามันเกิดมันเกิดที่กิตนะสมุทัยก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากเราพยายามสังเกตพยายามจับมืความอยามอกมโนใจขอเราเราทํางานท่านนี้เราทํางานเพื่อพิจารณาเพื่อแยกแยะให้เกิดความเพื่อเกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นอัตตาอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นอนัตตาอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทานาเราต้องการให้มันหายได้ไหม เราต้องการให้มันหายไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเวทนาที่มันเกิดในกายของเราเหตุปัจจัยของเวทนาก็คือกายของเราเลยส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเลลมเดินไม่สะดวกทําให้ตรงนั้นมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเหตุมันเกิดขึ้นที่กายไม่ใช่เหตุเกิดที่ใจแต่ใจต้องการหายใจต้องการหายนั้มันเป็นผลเป็นผลของตัณหาตัณหาเนี่ยมันจะแทรกไปทุกอย่างทุกเรื่อง ยึดเวทนาว่าเป็นเรารทั้งที่เวทนาก็จัพท์ว่าเวทนาเหตุปัจจัยของเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายส่วนหยุดไม่ใช่เรื่องของจิตแต่ความอยากภายในจิตน่ะต้องการให้เวทนาหายยิ่งต้องการเท่าไหร่เวทนาก็ไม่หายต้องการชีรายกระทุก์ต้องการชีรายกระทุกเพราะมันไม่เป็นไม่เป็นไปตามใจหวานไม่เป็นไปตามใจต้องการท่านจึงให้กำหนดย้อนมาดูที่จิตพอเราย้อนมาดูที่จิตมันจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหา แล้วก็ทันมันตัณหาเกิดที่จิตไม่ได้ดูไปทีิกายกายก็สัจธวรมกายดูไปที่เวทนาเวทนาก็สัจธรรมเวทนาไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องดูมาที่จิตก็สัธวธรรมจิตจิตสัวจธรรมรู้เป็นธารู้เป็นผู้รู้แต่ตัณหามันเคลือบแฝงไปที่จิตมันไปนกรกเกือนให้ตัณหาหายเวลาตัณหาไม่หายก็ทุกตัณหามาหายก็ทุก์ตราบไปที่มันก็สิทธะทราบไปแล้วลอยเชื่อมัน ตัณหาครอบงำหัวใจของเราเมื่อตัณหาครอบงําหัวใจอัตราตัวนมันก็เพิ่มขึ้นมาโอ้เราเจ็บโอ้เรากวดในท่สุดเราก็รือมันหนักแน่ศัจธรรมปรากฏให้เราพิจารณาแล้วแต่เราไม่ยอมพิจารณาถ้าใครตั้งใจปฏิบัติมาพิจารณาถึงตรงนี้ก็จะสงบในการดูแลในการพิจารณามหาสนิปฐานทั้งสีมีกายมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรม เราจะมีพิจารณาบทใดก็ตามมันเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพิจารณาอาการที่เกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงปรากฏเฉพาะหน้าเราจริงๆไม่ใช่เราไปสร้างสัญญาอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนมันเป็นการทำงานอย่างถูกที่มันอยู่ท่ามกลางชัยสรภูมิถ้าเราสู้ตรงนี้ได้สู้เรื่อยๆวันนี้เราสู้ไม่ได้ พรุ่นี้เราสู้ต่อครั้งหน้าเราสู้ต่ออีกครั้งหน้าเราสู้สู้ไปสู้ักสู้มาสู้ไปสู้จนได้ชัยชนะเวลาได้ชัยชนะไปแล้วกายก็ศัพท์ว่ากายจริงๆเวทนาศัพท์ว่าเวทนาจิตศัพท์ว่าจิตจริงๆเพราะมันเป็นสัพท์จะทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราพิจารณาอย่างนี้เราพิจารณาหรือเราจะพิจารณาให้เข้าในแน่ของหลักอริยสัจ เรากำหนดดูกายขอเราจะพิจารณาดูกายส่วนไหนก็ตามจะเป็นพิจารณาผมก็ตามพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันหรือพิจารณาเป็นธาตุเหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่อาการ32เป็นเรื่องของธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินยี่ิธาตุน้ํา12เนี่ยเราพิจารณาแต่ละอาการแต่ละอาการมันเป็นการพิจารณาธาตุท่านให้ดูธาตุจกักทเพาะว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราที่แท้จริงเขาก็เป็นธาตุอยู่อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่อาศัยตัำหาในใจมันพารเราคิดเหลือเกินคิดว่ากายเราว่ากายของของเราเรารู้ว่าเราไปเกิดในท้องแม่เราเอาเลือดสกปรกไปเกิดในท้องแม่ไหมมีใครเอาเลือดสกปรกไปเกิดในท้องแม่ไม่มีอาศัยพ่อแม่เจริญพันกันได้จังหวะได้สัดส่วน ได้เกิดกองสังขารพ่อกองสังขารแม่มารวมกันเข้ามารวมกันเข้าวิญญาณผู้คอยไปจับไปจองก็คือวิญญาณของเรานี่เองพอสิ่งนั้นประกอบกันปับ๊บได้สักได้สวนกันปับ๊บวิญญาณก็เข้าไปจับจองพวกเวรพวกภัยพวกกรรมกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมชั่ววิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็มากับกรรมของเรานี่เองไปจับจองมันมากับจิตคือผู้รู้ เราไปเกิดในท้องแม่หลังจากสังขารไปประกอบกันไปรวมกันแล้วเจริญพัฒนาถาวรมาเพราะสังขารทุกๆสังขาร น, นั้นอ่ตั้งแต่สิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่าเรียกว่าสังขารหนึ่งเดียวท่านไมเรียกสังขารสองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกสังขารเรามาดูร่างกายของเราทั้งหมดอ่ะมันประกอบไปด้วยกองสังขารถ้าเราจะแยกเป็นธาตุก็คือเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟ ถ้าเรามาดูอาการกับเป็นพบเป็นผลเป็นเล็บเป็นฟันมูดไปจนถึงธาตุน้ําน้นนนํามูดน้ํำคูดนี่คือธาตุธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือกองสังขารสังขารที่เขาไปคลุกคล้ากันไปเกี่ยวข้องกันแล้วไม่มีสังขารใดแม้หนึ่งเดียวอยู่เท่าเดิมไม่มีต้องเปลี่ยนไปโดยเหตุที่สังขารเปลี่ยนไปนี่แหละพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขันทุกขันนี่เป็นทุกในอรยิยสัจนะ แต่พวกเราเนี่ยเราจะรู้จักความทุกข์คือทุกทุกเขเวทนาเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ในหลักอริยสัจคือสภาพไม่คงทนอยู่ตามเดิมของมันมันต้องเปลี่ยนไปอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเราดูสิ่งรอบข้างตัวเรามีอะไรอยู่คงที่บ้างไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่อย่างพวกดินพวกหินพวกอะไร่อยู่รอบข้างตัวเรา เมื่ออายุของโลกล่วงไปท่านนั้นปีทนนี้ปีท่านนั้นล้านปีทนนี้ละ้ท่านนั้นล้านปีสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดแม้แต่เล็กลลาก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นสิ่งอื่นแต่ด้วยเหตุที่ว่าของมันแข็งก็ต้องเปลี่ยนช้าแต่สำหรับของหอยาบๆเหมือนอย่างอางัตรภาพร่างกายของเราเราจะเห็นก็เปลี่ยนทันทีเหมือนอย่างเราใส่อาหารเข้าไปใส่ข้าวใส่น้ําใส่ผักใส่กับแกงเข้าไป ร่างกายเมื่อเขาอดก็ย่ำเขาเคยอยู่เท่าเดิมไหมเคยอยู่คงที่ไหมตอนไหนเราใส่เต็มที่ใส่เต็มตามปกติเราก็มีกําลังวังชามีเรี่ยวิีแรงเนื่ อ, อคือการเปลี่ยนไปของสังขารร่างกายที่เราไม่ใส่เช่อย่างเราอดข้าวเนี่ยเราเป็นกะเราเป็นเนมเราไปอยู่วัดเราต้องการอดอาหาร1วัน2วันสวันร่างกายกําลังวังชามันเราต้เปลี่ยนไปร่างกายของเราก็สู้ผอมไป กำลังของชาเขาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปเนี่ยพอเราใส่อาหารไปตามปกติกําลังของชาก็ามีขึ้นมา1ชั่วโมองสองชั่วโมง่อเราไปใช้แรงงานอย่างนี้นี่กำลังของช า, าเราก็เสื่อมไปก็หมดไปก็สิ้นไปเราต้องใส่ใหม่เข้าไปลี่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเรามาดูว่าพวกเราถึงกําเนิดในท้องแม่เราต้องมีสายรบสายสะดือสายสะดือดนี่แหละคือสายลําเลียงเหตุปัจจัยไปจากแม่ ลำเลียงวัตถุไปจากแม่ดูก็ไปเลี้ยงอยู่จนเจ็เดือน8เดือน9เดือ น, นพอออกมาเขาก็ตัดสายรขสายสะดือนั่นคือสายลำเลียงแม่พ่อก็ต้องป้อนเลยเข้าป้อนเด็กป้อนเลยน้นํานมโตขึ้นมาเราก็รับทานเองเข้าไปสังขารของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้โดยเหตุที่สังขารของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมนั่นแหละติยาเหล่านี้อาการเหล่านี้ลักษณะเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านทรงตรับว่าใครละใครละคืออนิจจังอยู่ไม่เท่าเดิมคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอนิจจังยังไงทุกขังไปอย่างนั้นทุกขังยังไงอนิจจังไปอย่างนั้นทั้งอนิจจังท่านทุกขังสิ่งเหล่านั้นจะมีใครไปเปลี่ยนแปลงเส้นสายหรือกระบวนการของเขาให้เป็นอื่นไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุที่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ บงังคับให้เป็นไปตามใจหวังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พระทธเจ้าท่านิทธสงตรามว่าหน้าตาหน้าตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนถ้าเป็นตนถ้าเป็นของของตนเราต้องบอกได้เราต้องสอนได้เแื่อเห็นที่เราบอกไม่ได้เราสอนไม่ได้เราบอกไม่ได้เราก็ทําความรู้เท่าเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยเหมือนอย่างพระทีเจ้าท่านทรงปล่อยความสุขทั้งหลายทั้งปวง เรามาพิจา ร, า, ารณาอุทกปนาบทรอาราธดาบทท่านได้ความรู้ภูมิโสถึงขั้นรู ป, ปรสมมาบัติอรู ป, ปรสมาบัติถึงความสุดเต็มที่แต่เขาปล่อยอัตตามาได้นะอันนี้เป็นนิพพานของพวกราม์ยุคนั้นสมัยนั้นน่ะพวกพราหมณเขามีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับความสงบอย่างอาราธดาบทได้สมมาบัติเก่อุทกปนาบทได้สมาบัติเป๋พระพุทธเจ้าไปเรียนจบสมมาบัติเป๋ที่อุทกปนาบท อเรียนจบสมาบัติแป๊บปับเออความรู้ของเราหมดแล้วพุทธเจ้าไปเรียนจบไปในไม่กี่วันในเมื่อภูมิรู้ของอาจารย์หมดแล้วย้อนมาดูความทุกข์ภายในพระทัยของพระองค์ความทุกข์ทั้งหลายยังกองเต็มแพ้่อยู่ในหัวใจเออหัวใจของเราทำไมไม่โลภยังมีความทุกข์ทุกมิยุกทุกพระท่ทุกเสียใจทุกหวงกังวลทุกอะไรอะไรสารพัดอยู่ในนั้นเออทําไมความทุกข์ยังกองเต็มอยู่ในหัวใจ จึงอีโอหน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชพระองค์จึงลาออกมาบำเพ็ญโดยลำพางของพระองค์เห็นไหมพอพระองค์หันมาบำเพ็ญโดยลำพางของพระองค์พูดถึงวันเพ็ญเดือนอกวันนั้นน่าในปัดฉีดวิญญาปัดฉีดวิญญาเป็นเหตุให้พระองค์ขับต้อนด้วยอุตปะปะทำแผ่เผาเกลื่อให้เยือวนให้ไปยังการทสนิจัยเป็นเหตุให้พระองค์ได้อาสวัสยยะย า, ยา มียามอย่างหนึ่งยังรู้ว่าอาซะกิเลนในเขาใส่ของผมหมดสิ้นไปจากหัวใจดูย้อนดูไปแล้วทําให้หัวใจคนโลดหมดว่าหมดไม่มีอะไรอยู่เหมือนเมื่อก่อนนี่คือพระาปลงปล่อยแต่พวก็พรามเท่าไหลายเขาไม่ปล่อยพรามเท่าไหลายปล่อยมัได้ในเมื่อเราความสุขเหล่านีถ้าไม่มีตัวตนคอยสวดความสุขนั้นจะเกิดประโยชน์อะไร ต้องมีตัวเสวยที่ถึงจะมีความสุขได้พรามเขายึดไว้ก็ถือเอาไว้ตายแล้วเขาไปเกิดบนโลกกับพระพรหมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมเป็นอาตามันเป็นอาตามันไปรวมตัวอยู่กันกับพระพรหมเขาเรียกว่าปรมาตามันปรมาตามันอ น, นั่นคือนิพพานของพราพระพรหมทั้งหลายนะครับถือว่าเขาเที่ยงเขาเที่ยงพระเจ้ทาทั้งทรงต ร, รัสยังไม่เที่ยงครับพรหมยังมียังมีพบจํากัด ยังมีอายุจํากัดท่านั้นกับปีท่านั้นหมื่นกับปีท่านี้หมื่นกับปีกับเรานั้นสักหน่อยก็เต็มขึ้นมาได้เรื่องของกักกับอายุระยะการเวลาเรามาดูผู้ย่าวของเราหน่ยพระพุทธโคดมของเราสร้างบารมีสี่อสองไขยแสนหากับนะสี่อสงไขยแสนหมากับ น, น, นานขนาดไหนไหนที่สุดก็เต็มตื้อขึ้นมาได้บางประเภทแปดอสองไขยแสนหมากับเต็มขึ้นมาได้ บางประเศที่พอประสงค์ขยแสนห า, ากหับนานเท่าไหร่แต่ก็สามารถเต็มได้อายุของพรหมแค่แปดหมืสี่พันกับสมัยนึงกล่นตบลงไปแล้วนะแต่ด้วยเหตุที่เขาอายุยืนเขาจึงสําคัญว่าเขานี่เที่ยงพวกพรหมเที่ยงแต่พุทธาท่านทรงพรไม่เทียยยททเท่ยงหรอกพวกพรหมยังมีพพจํากัดยังมีอายุจํากัดอยู่จะต้องจะต้องหมดแต่ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปล่อยได้โอ้ไม่ใช่อัตตา เป็นอนัตตาถ้าเป็นอนตาเราต้องปล่อยได้ถ้าเป็นอัตาเราต้องบอกได้ว่าสังขารเราจนไปนี้อย่างนี้นเถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยโดยเหตุที่เราบอกไม่ได้นั่นเองจึงเป็นอนัตตาต้ปล่อยหมดว่างหมดหมดจากที่เกาะทั้งหลายทั้งปวงจิตของรเราเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถึงปรมาสุขขันผลทุกคนโทษ เป็นจิตที่หมดกองสังขารจิตของพุทธเจ้าหมดสังขารเข้าไปปรุงเข้าไปแตกเมื่อจิตจิตเป็นจิตหนึ่งเดียวแจ้งกิเลสตัณหาอาสมะออกจากผู้รู้ได้หมดจดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นสองบรรดาสิ่งที่เป็นสองตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่า ก, กองสังขารแต่ด้วยเหตุที่ปรองแยกสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิต ออกจากพระชัยของพระองค์ได้พระองค์จึงเป็นวิสังขารไม่เรียกสังขารจิตพระอาหารทุกๆพระองคเขามไม่เรีสังขารเขาเรียก ว, ว, วิสังขารวิสังขารวิสังขานี้เวลาอาตาภาพร่างกายตัดที่ปล่อยจนไปสูญไปจากโลกไหมไม่สูญไปจากโลกระลุพระจิตของพระพุทธเจ้าไหนสูญไปจากโลกไหมไม่สูญไปจากโลกตอนพระพุทธเจ้าทรงปริณะผ่านพระองค์เข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ เข้าอารมณ์วิาณที่หนึ่งที่สองที่สาที่สไปประทับที่สัญญาเวทยิตานิโรภะอาวุทัมองมองตามมาเห็นเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธทั้งรูปปัสมะปฏ์ทั้งรูปปัสมะปฏ์ทั้งสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นวิหารธรรมอ่าเป็นสมมุติหลวงตาท่านใช้คําว่าสมมุติไม่ใช่บิมุดมันเป็นผลที่จิตฝึกฝนอบรมได้เป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิต เพราะฉะนั้นพระจิตบริสุทธิ์เวลาไปภาคพิงพระอนุทพระจึงมองเห็นเวลาไม่เข้าอยู่ในวิหารธรรมล่านั้นพระอริยมองไม่เห็นพุทธิยามออกจาก อ, าออกมาโดยลำดับอรู ป, ปรสมมติมารู ป, ปรสมมติออกมาพระจิตบริสุทธิ์ปกติธรรมดาเข้าไปใหม่อีกชาตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ออกจากชาตที่สี่ ฌานที่สก็ไม่อยู่พระกิจ ท, ที่บริสุทธิ์ของพระอาไม่อยู่ อ, อรูปไปฌานก็ไม่เข้ารูปไปฌานก็ไม่อยู่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมุติใดๆพระอนุทักษมอกไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจา้าปาริยิปานแล้วปาริยิปานแล้วเนี่ยภูรู้ที่บริสุทธิ์นั้นเวลาไปภาคีเราเห็นทีนี้เวลาท่านดับชี้ไายชนไปแล้วเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งพระพุทธเจา้าทั้งพระสงฆ์สาวกทั้งพระอริยะสาวก มีอยู่หรือไม่มีเราดูแต่พระคิดของพระพุทธเจ้าเวลาไปภาคผีส ม, มุติพระอรูอ้ท่ามองเห็นเวลาไม่ภาคผีมองไม่เห็นแต่สิ่งเหานั้นยังมีถึงพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราทําวัดเช้าทําวัดเย็นท่องบนโสดม น, นอะไรไดใดๆก็ตามคอยเราตั้ง อ, อกตั้งใจเพราะเราไม่ได้ทําเปล่าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทํายิ่งเราตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตราาัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม พระพุทธเจ้ายังสองกรชนอยู่ด้วยคุณสมบัติของธรรมใครตั้งใจปฏิบัติมีสมาธิก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีสมาธิละเอียดลึกไปถลักยิ่งเห็นพระพุทธเจ้าไปมากขนาดยิ่งพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของไตรลัะเป็นชั้นเป็นภูมิไปได้คุณกรรมเป็นพระโสดาเสติทาคาพระอนาคาคาได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองนั่นคือองค์ของพุทธะแท้ พุทธเจ้าไม่ได้สูงไปไหนทรงเสด็จอยู่กับอักธรรมผลของกันประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นเห็นให้เรานิ่งนอนใจไม่เป็นหให้เราไม่ประมาท ก, กับสิ่งเหล่านี้พยายามตั้งอกตั้งใจด้วยความมีจิตมีกําลังมีความเรื่อมใสมีความศรัทธาที่จะตั้งอกตั้งใจทําทางก็ตั้งใจทําไำรักษาศีลตั้งใจทํารักษาศีลอย่างยิ่งจนเป็นอาชีพศีล จิตภาวนาตั้งใจภาวนาก็ตั้งใจทำไปลบตาทั้งที่เจริญสมถะกับวิปัสสนาสลับกันไปเช่นอย่างเรามาเริ่มต้นนั่งภาวนาปั๊บช่วงแรกเรากเอาสมถะให้เต็มที่เข้าไปเลยจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวนั่นแหละถ้าเรียกว่าสมถะแต่ถ้าเราช่วงเราไปพิจารณาขับเคลื่อนเลื่อนไปตามกิริยาการของจิตท่านถือว่าเป็นเรื่องของวิปัสสนาเช่นอย่างเรามาพิจารณาแยกแยะแยกแยะ ธาตุขันของเราโอ้อันนี้เป็นดินโอ้อันนี้เป็นน้ําโอ้อันนี้เป็นลมเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นไฟเนี่ยเราพิจารณาไล่เข้าไปไล่เข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าดินน้าลมไฟนั้นเป็นเราว่าเป็นของของเราให้เห็นสักคำว่าเป็นธาตุพิจารณาแต่ละอย่างไม่เห็นจักคว่าเป็นธาตุหรือจะพิจารณามหาสี่ปฐฐานมันก็อันเดียวกันจะพิจารณาสิเป็นรูปหรือเป็นเวทนาหรือเป็นจิตหรือเป็นธรรมทาไมท่านจึงใช้อารมณ์อ่า กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นอาคม์ที่ตัณหามันมาภาดพิตัณหามันภาดพิงมาที่กายมันก็ยึดกายตัณหามันภาดพิงมาที่เวทนามันก็ยึดเวทนามันภาดพิงมาที่จิตมันก็ยึดจิตมันภาดพิงมาที่ธรรมก็ยึดธรรมท่านจึงให้พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมการพิจารณาจิตนั้นเราจะพิจารณาอย่างไง เราพิจาราดูความยินดีของจิตดูความยินร้ายของจิตดูความอยากของจิตดูราคะภายในจิตดูโทสะความโกรธภายในจิตดูความอิจฉาความริษยาความพยาบาทภายในจิตเราพิจารณาอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นการพิจารณางานภายใ น, ในจิตเป็นงานของจิตเราพิจารณาเพื่อให้เรารู้เท่าทันตัณหา ถ้ า, าเราไม่พิจารณาเรามีแต่ไปเสริมไปเสริมไปเสริมด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจกลางวันกลางคืนยืนเบื่อ น, นั่งนอนพฤติกรรมของเราทั้งนี้ทั้งวันเรามีแต่เสริมผลให้กับตัณหาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวัตถวุตนิยมวัตถวุตนนี่คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นผู้ทาํากรรมกิเลสพาทาํากรรมพอทาไปแล้วผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลส กิเลสก็เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสเพิ่มก็ไปเรื่อยเป็นผลไรายได้ของกิเลสถ้าเราทํางานตามพระพุทธเจ้ า, เ, าเราดั่มฤทธพุทโธพุทโธตัวนี้เป็นธรรมาทมกากรรมวิบัตกทํากรรมวิบัติผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมต่อไปนี้ให้พวกเราได้คับติดได้ข้อคิดใหม่ว่าเราต้องการจะให้ธรรมะเจริญงวด ใ, ใหญ่ของเราเราต้องเอาทำกรรมวิบากทํกากรรมวิบัตกไม่ใช่กิเลสกรรมวิบัตก กิเลสกรรมวิบากเป็นผลรายได้ของกิเลสทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมภายในหัวใจของเรามีสิ่งต่อสู้กันอยู่สองอย่างเองคือพลังของกิเลสกับพลังของธรรมหัวใจของใครเริ่มตั้งใจปฏิบัติเพื่อชักเพื่อล้างกิเ <ใน S 2> ลสกิเลสแล้วนั่นก็จะบางไปบางไปธรรมก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหากตราบใดที่เราไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเลยวันคืนล่วงไปมีแต่ผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์เรามีมนุษ ย, ยธรรม้าให้เราทำบีก็ได้ทําชั่วก็ได้มันมีทั้งบีทั้งชั่วจิตมาปนมาในหัวใจของเราด้วยเหตุที่เรามีสินพอประมาณเราได้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามีมนุษยยธรรมเรื่องสินนี่เราทิ้งไม่ได้หรอกทินงห้าอย่างน้อยๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะต้องมีศินหากสมบูรณ์ข้อใข้อหนึ่งเราก็มีมาเพื่อได้เป็นอัจภาพเป็นมนุษย์ ไม่มีสีสก้อเลยไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์มีคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เป็นมน ing, ุษย์ไม่ได้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวใหญ่เราเห็นไม่สัตว์เดรัจฉานอยู่ร่วมโลกกับเราเลยสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปนรย์เป็นสัตว์นรกเป็นอสูรกายเป็นสารพัดเป็นรากเป็นสัตว์ในจินยานในโลกจินยานสัตว์เหล่านั้นมีที่ท่านเรียกว่าอบายอบาย อบบยภูงก็คือเปรตนรกสุรกายสัตว์นิรันดร์แต่กลายเป็นว่าสัตว์นิรันดร์ที่เรามองไม่เห็นคือพญานาคสัตว์นิรันดานกันสัตว์ที่เรามองเห็นพวกุนัพวกหมาพวกอะไรอะไรเต็มไป ห, ห, หมดเลยหมาแมวหมูเป็ดไก่อะไรอะไรสัตว์ปรปลาเต็ม น, น้าน่สิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์นิรันดรท่านั้น ถึงจะมีความสุขแค่ไหนก็ตามเป็นสุนัขเป็นแมวเจ้าของเลี้ยงอย่างดีโอ้ยมึงสุขสบายเนาะไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงดูกูเลี้ยงดูมึงอย่างดีมันก็มีสุขแค่นั้นแหละสอนอย่างดีย่างดียกมือได้แค่สองข้างโอ้ดีอกดีใจก็คแค่นั้นเองสัตว์บางตัวมีโอกาสเช่นอย่างลิงกับช้างสมัยพุทธเจา้าน่ยนักเขามีกลุ่มเป็นช้างพระโพธิสัตว์ เป็นลิงพระโพธิสัตว์หรืออีกอีกสัตวหนึ่งก็คือโคศกะโคศกะโคศกะที่ว่าเจ้าของเลี้ยงเลี้ยงไว้ในบ้านอะไรในบ้านนั้นอ่ะเจ้าของบ้านนิมนต์พระอาราหันต์ไปฉันไปจําทุกวันทุกวันทุกวันก็พาโคสกะตัวนี้แหละไปนิมนต์ปั้งก็ไปทุกวันจนรู้จักช่องทางวันไหนเขาไม่ไปเขาจะส่งไปนิมนต์พระอาราหันตะ์มาฉันที่บ้าน ท่านลองใจดูอ่ะทาเป็นเดินไม่ถูกบ้างผิดบ้างอะไรบ้างสุนัขตัวนี้เข า, ข า, ข า, าก็ฆ่าทั้หละกัดึงไปที่บ้านจนมีจิตมีจิตระคาย ก, กับพระเทระกับพระอรหันต์องค์นั้นมีวันหนึ่งท่านจะจากไปที่อื่นเพราะถ้ท่านจะจากไปที่อื่นสุนัข ก, ก็ยืน ม, มองดูคงจยนานไม่ได้กลับมาพอพระองค์นี้หายวับไปสุนัขตัวนี้ก็เลยตายโคสก ตายแล้วไปเกิดเป็นโคสกะเทพพบุตรเนี่ยด้วยอนิสง์ด้วยอนิสง์ อ, สอันนี้เขาเดินนำหน้าพระเดินเห่าหอนไล่ตะขาบแมงป่องไล่มูไล่ลอะไ ร, ะไรที่มอยู่หวางทางเนี่ยเขามีผลมีอนิสงส์สัตว์ที่มีโอกาสอย่างนี้มีน้อยแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรเป็นภพภูมิที่เราทำได้ทุกอย่าง ทำดีสุดๆุดถึงที่สุดสามารถทําได้ทาเลวสุดๆุดก็ได้ในโลกมนุษย์เรามีสริปัด้วยเหตุที่เรามีภูษิตธรรมนี้เองทาให้เรามีอัดมีธรรมทาให้เราเกิดมาแล้วพร้อมที่จะทีมตัวเห็นคุณเห็นโทษเห็นภายในวัฏฏสงสารตั้งใจพระคุณปฏิบัติธรรมเราก็ได้อัดได้ธรรมในที่สุดเดินตามหลังพระเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกไปได้โอ้พูดมาชื่นยาวอะ พูดมายืดยาวน่าจะสมควรแั่เวลาแล้วเป็นเวลาทั้งชั่วโมง11บนาทีนะเอาเหลือเวลาต่อจากนี้ไปจะพูดคุยอะไรก็ได้บ้างไอ้ <c oughs> ออวังอวังท่านี้ก่อนนี่มันก็หมดไปตั้งหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วอ